190ธรรมะสองที่กลายเป็นธรรมเอกคืออย่างไรกายที่เป็นธรรมะสองทเวธรร ม, มาคือองค์ประกอบของรูปกับนามเมื่อปฏิบัติได้ผลสำเร็จเป็นเอกะสมาสารนาก็เป็นผลธรรมกลายเป็นธรรมมะหนึ่งนั่นคือ มีแต่ความรู้สึกที่เป็นอุทุกข์คมสุขไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นผลสูงสุดของเนคข ม, มะสิตาอุเบกขาชานี้แลจึงจะชื่อว่าธรรมะคือความเป็นธรรมะเอกแท้เป็นปุญญาภิสังขารที่ได้ผลสำเร็จหมายความว่าจัดการอภิสังขาร ชำรกิเลดในจิตสันดานหมดสิ้นไปได้สะอาดหมดจดสันตานางปุนาติวิโสเทติตั้งแต่ภายนอกคือจากกายภายนอกต่อเนื่องลึกเข้าไปสู่กายภายในกายในกายแล้วมาเป็นเมธนาแล้วเวทนาที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปในเวทนา ก็ถึงที่เกิดของจิตยโยนิโสก็พบเหตุคือจิตในจิตเมื่อมณะสิกโรติสาเร็จคือชำรกายเลสในจิตสมบูรณ์ที่สุดก็เป็นธรรมะขั้นอาสังคตะธรรมอาสังคตะธรรมคือธรรมะที่ไม่เกิดจากเหตุปัจจัยหมายความว่าเหตุปัจจัยทมให้ธรรมะนี้เกิดอีกไม่ได้แล้ว ไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาชาัดเจนที่สุดก็คือไม่มีจิตที่เป็นภัยเป็นโทษอากุศกุลจิตเกิดในจิตท่านผู้บรรลุขั้นนี้อีกเลยเดดขาดนิรันดรมีแต่จิต